ระโสยทาซาปิติโยวิวานตุสาปารมณ ง, งวินาสตุ ม, มาเตภาวัวันตารายโยสุกี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 ปาลังอากะศโตเอปัสั น, นานังอากางธรรมังบิชานะตังอากเกหมดเถปัสั น, นานังดาขีนเนยอนุตรเร อ, อากเกธรรมเมปัสั น, นานังวิรังคุปสเมสุมสขเข อาเกสรเกปันนานางปุญญาเกติอนุตรเรอากาศสมิงรานางดาดาตังอากางปุญญาปวัตติยโสเกติสุขังวลังอากาสดาตาเมธาวีอากาธรรมมาสมาหิตโต เดวะภูโตมนุสวาอาคาปโตปโมนติติภวะตุสาผังกาลังสามบุตทานุภาเวนัสดาโสทิภวันทุเตภาวตุสาผังกาลังราคันตุสาพเดวตา